แปลว่าประสูดที่ว่าด้วยกุศลธรรมที่บุคคลจะต้องกระทำบําเพ็ญให้บังเกิดขึ้นเป็นพระธรรมเทศนาในแนวที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศสัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ต้องการจะรับสั่งเรื่องราวเหล่านั้นด้วยพระองค์เองแล้วสั่งไปใจความว่า บุคคลแม้มีตั้งความปรารถนาที่จะให้จิตใจของตนมีความสงบมีควา ม, ช, มชื่นชื่นมีความเบิกบานแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความเพียรพยายามเพื่อฝึกปรืออบรมจิตใจของตัวเองเขาจะตั้งความปรารถนาอย่างไรผลที่ตนต้องการก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ โดยทรงอุปมาเหมือนกับแม่ไก่ที่มีไข่แปดฟองมีไข่สิบฟองมีไข่สิบสองฟองแม่ไก่กวกไข่ไม่เป็นแต่ก็ให้ความอบอุ่นแก่ไข่ไม่พอและก็ฟักไม่ดีแม่แม่ไก่จะตั้งความปรารถนาให้ลูกของตัวเองเจาะกระบอกฟองออกมาที่ความเจริญเติบโตแข็งแรงยังไง ไอ้ลูกไก่มันก็เป็นตัวไก่ขึ้นมาไม่ได้ประกบฟักไม่ดีให้ความโมปุ่นไม่พอแล้วก็โกกไข่ไม่เป็นเราทรงแสดงในทํานองตรงกันข้ามวบุคคลจะตั้งความปรารถนาให้จิตใจของตนมีความสงบสว่างจนหมดอาสวะกิเลสหรือไม่ก็ตาม แต่เขาก็ใช้ความเพียรพยายามบำเพญ็ญฝึกปรือจิตใจกับตัวเองได้เจริญในองค์ธรรมที่เรียกว่าโพติเปคียธรรม3าเมื่อเขาปฏิบัติไปแล้วเขาก็จะได้ความสงบได้ความรู้ความจางไฟคลายไปหมดไปของกิเลสจุดนนอาสวะไปในที่สุด โดยทรงอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับแม่ไก่ที่มีไข่อย่างที่ว่าแล้วมีการกกไข่ได้ดีมีการให้ใหความอุด์เกี่ยฟองไข่พอมีการฟักเป็นแม่ไก่จะตั้งความรัตนาให้ลูกของตัวเองเกาะเจาะกระโปรงฟองออกมาในเวลาสมควรหรือไม่ก็ตามพอถึงเวลาลูกไก่มันก็เจาะกระโปรงฟองไข่เหล่านั้นออกมาเอง แล้วก็จเจริญเติบโตออกมาได้หรือลำพังตัวเองแล้วทรงอุปมาข้ออื่นว่าในการจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสเนี่ยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติน่นเนพะจะรู้ว่ากิเลสมันลดลงไปให้ธรรมะได้เพิ่มขึ้นทรงอุปมาเหมือนบุคคลที่ใช้มีดจักตอกใช้มีดทำงาน แล้ว ก, กรมด้ามมีดไปเรื่อยในขณะที่ทํางานก็จะรู้ว่าด้ามมีดนั้นสึกไปส่วนจะสึกไปมากหรือน้อยนั้นคนที่ใช้ด้ามมีดเหล่านั้นจะรู้มาดูที่ด้ามมีดก็จะเห็นว่าด้ามมีดมันสึกไปและทรงอุปมาข้ออื่นว่าเหมือนกับเรือที่เดินสมุทรซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลก เรือสมัยนั้นเราก็ไม่เคยเห็นนะรูปร่างมันเป็นอยังไงแต่รับสั่งว่าเรือเดินสมุรทรสิแล่นไปในมหาสมุทรเป็นเวลานานอยู่ในมหาสมุทรเป็นเดือนหลายๆเดือนสี่เดือนหเดือนหกเดือนแล้วคนก็หวายแจ่ไว้ในน้ําเมื่อถึงคราวก็สู่ฝั่ง ก็จะเห็นเรือเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนมีการผุมีการเปื่อยมีการแตกมีการหักไปการมาเป็นภาวนาคือเพิ่มพูนความดีขึ้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าก็เป็นโบหารในการเทศในการแสดงธรรมะ ว่าไมไม่อยู่ที่การตั้งความปรารถนาหรือไม่ตั้งความปรารถนาใล้ยๆเราจะเดินไปในที่ใดที่หนึ่งเราเดินไปถูกเส้นทางแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจะตั้งความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาถึงโอกาสเนึ่งมันก็ถึงตรงนั้นแต่แม้จะตั้งความปรารถนาเพื่อประสบพเพเห็นเพื่อถึงจุดหมายปลายทางแต่ปรากฏว่าไม่ได้เดินไปหรือไม่อาศัายญานยานฝ่าหน้าไปเขาก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้น เป็นการแสดงในแง่ของกรรมที่คนซึ่งต้องการผลในระดับต่างๆจะต้องลงมือประพฤติกระทำด้วยตัวเองสงใ้คำรวมๆว่าภาวนาคำว่าภาวนานั้นแปลว่าการกระทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเป็นการเน้นธรรมะภาคปฏิบัติที่เป็นกุศล แต่ที่ยกตัวอย่างให้ท่านประชาชนทั้งหลายฟังบอกมันเหมือนกับกินอาหารหรือกินยาหรือไม่พูดเรื่องอื่นนะรับประทานอาหารไปก็รับประทานยาเข้าไปแต่อาหารและยาที่รับประทานนั่นเองก็จะทําหน้าที่ของเขาเต็มที่อาหารจะทําหน้าที่ป้องกันความหิวเก่เาป้องกันความหิวใหม่กระจัดความหิวเก่เาป้องกันความหิวใหม่ แล้วก็เพิ่มความอิ่มให้เดยกให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังในการปฏิบัติภารกิจการงานได้แล้วก็รักษาสุขภาพพลานามัยร่างกายเอาไว้แข็งแรงบุคคลก็ทำเพียงอย่างเดียวก็คือรับประทานอาหารเข้าไปนอกนั้นเป็นปฏิกริยาที่ต่อเนื่องมาจากอาหารก็ทำนอ ง, งคล้ายๆกับปลูกต้นไม้มันก็มีลักษณะอย่างนี้นจรที่ทรงอุปมาว่า บุคคลที่ปลูกต้นไม้เนี่ยก็ทําหน้าที่เฉพาะปลูกรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินไปตามเหมาะตามควรจะถึงโอกาสหนึ่งเนี่การออกดอกการออกผลการแตกกิ่งก้านสาขามันต้นไม้มันทํากับมันเองเมื่อถึงคราวมันก็ออกมันก็ออกเองคือเราจะไปตั้งความปรารถนาให้เป็นอยางนั้นเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างโน้ น, น, นมันก็ไม่ได้ ถึงคราวแล้วเนี่ยเนื่องจากเราประกอบเพศถูกต้องต้นไม้เหล่านั้นก็ออกด อ, อกออกผลเองหรือแนวองการรับประทานยาก็มีลักษณะอย่างนั้นยาที่เรารับประทานเข้าไปมันก็ทำหน้าที่การจัดโรคป้องกันโรคแล้วก็บำรุงร่างกายให้มีความแข็งแรงรักษาสุขภา พ, พลาระนามัยของเราเอาไว้ ในวภาวนาตรงนี้ทรงแสดงสรุปหมดนะครับว่าธรรมะแนวแนวพระกุศลนะนะแนวพวกุศลธรนะททรมทั้งหลายแต่เราจะเห็นว่าทรงใช้คําหลายๆคําแต่ที่จริงมันก็เหมือนกันคำที่ใช้ในตอนต้นๆตอ น, ตอนสรุปใหม่ๆก็ทรงใช้คําว่าธรรมะ ในการต่อมาเมื่อทรงแสดง อ, อวาตปฏิมโมกษ์ทรงใช้คำว่พุทธศาสนาและในความเป็นพระพุทธศาสนาที่ทรงแสดงก็ความสั้นๆถ้าเป็นหน้ากระดาษก็ไม่ถึงหน้ากระดาษก็เรียกว่าสามคาถาเกึ่งคือสิบกาบันทัดเห็นว่ามันก็มีอุดมการมีหลักการมีวิธีการ ตัวเนื้อหาสาระจริงๆมันก็มีแค่สามคำหมายความมาถ้าปฏิบัติตรงนี้ได้อย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นมาเองอ่นั่นคือการไม่ทําบาปท่องพวงการทํากุศลในสมบูรณ์การนําจิตไปฟ้องแพร่พอปฏิบัติได้อย่างนั้นอย่างอื่นมันเป็นผลแล้วก็เป็นอาการหมายความว่ายังไงหมายความ่าข้อแรกข้อข้อต้นๆสามข้อเลยทรงแสดง ขันติเป็นดบบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพานเป็นบรมมธรรมผู้ฆ่าสะดื่นเบียดเบียนสะดื่นไม่ชื่อว่าปัญญาชตสมานนเพราะนั้นท่านที่ละบาปบำเพ็ญบุญทําจิตได้ผองแผ้วแล้วเนี่ยท่านก็จะมีความอุดทนโดยอัตโนมัติท่านจะเข้าถึงนิพานท่านจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่เบียดเบียนสัตว์ในข้อข้อหลังๆที่หข้อที่ทรงแสดงมันก็เป็นอาการ เป็นอาการเคลื่อนไหวของคนที่มีธรรมะอยู่ภายในใจเวลาเกี่ยวข้องคนอื่นก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายและจะรับประทานอาหารเท่าที่จำเป็นของแก่ความต้องการของร่างกายแล้วก็จะสมบูรณ์ด้วยศีลอินดีในที่ส ง, งัด ประพฤติปฏิบัติในการที่จะรักษาจิตใจตัวเองและคุ้มครองตัวเองเราก็เห็นคล้ายๆเรื่องมันแยะแต่จริงก็เป็นกระบวนการอย่างที่อย่างที่บอกคล้ายๆก็ปลูกต้นไม้เหมือนกันน่ยป ล, ปลูกต้นไม้การเดินการทํางานการะอะไรเนี่ยที่จริงมันก็เป็นกระบวนการในต่อเนื่องมันมีเหตุแล้วก็มันก็สร้างทยอยกันไป วันพวกภาวนาในส่วนหนึ่งจึงพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาบางทีก็ใช้คำว่าไม่ประมาทบางทีก็ใช้คำว่าอาริมักเป็นองคแปประกานก่อนที่จะนิพพานอุเ้าสรุปทั้งสามจุดสีจดนนะ่จุดนะนะจุดหนึ่งสรุปไว้ที่อริยสัจเทอริยสัจ ย, ยูเยอะก่อนจะนิพพาน จุดหนึ่งเนี่ยจะเน้นที่เขาเรียกว่าสารธรรมห้าคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์ขณะ ต, ตอนที่ท่านก่อนจะนิพพานนิดเดียวนะก็แสดงอยู่สองแนวแนวหนึ่งที่สุภัตถาอุ ธ, ธ, ธะบรมชิตพระกราบทูลถามว่าพูด ผู้เป็นไทยนะฮะจำนวนบาลีมองฟังยากผู้รอพระยบุคคลในศาสนาอื่นนี่มีอยู่หรือไม่ผู้เจ้ารับสั่งว่าตั้งแต่พระองค์บวชมาห้าสิบอ็ดปีหือตั้งแต่เสด็จออกผนวดมานะฮะจนจนนิพพานก็สี่สิห้าปีก็หกปีก็เป็นห้าสิบเอ็ดปีก็ยังไม่เห็นพระยบุคคลในศาสนาอื่น เพราะว่าพอเนื้อหาสาระของความเป็นพระยะบุคคลเนี่มันเกิดจากการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอริยมรรคในองค์8 ป, ประการและพอดีไม่มีศาสนาไหนที่สอนอริยมรรคในองค์แปประการคืออย่างมากมันก็สอนแค่เท่าไหร่ล่ะแค่หกมรรคในส่วนสมาทิฏฐิสมาธทั้งกัะป๋านมันสอนไม่ถึงมันก็มีระดับหยาบๆนะแต่ระดับที่สมบูรณ์จริงๆมันก็ไม่ได้หรือไม่ได้สอนถึงแล้วก็ไม่มีศาสนาไหนสอนถึง เพราะงั้นทรงแสดงโดยสรุปว่าในธรรมวินัยใดมีอริมักมีองค์8 ป, ประการอยู่ในธรรมวินัยนั้นก็จะมีพระยบุคคลแล้วก็ทรงสรุปว่าสาปใดที่มีการศึกษาการปฏิบัติชอบในอริมักมีองแปดประการอยู่สาปนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระยบุคคล ก็แสดงว่าทรงแสดงธรรมะแนวภาวนาไว้สรุปไว้ที่ อ, อริมักวิมังแปประกาศแล้วก็ตอนสุดท้ายรับสั่งครั้งสุดท้ายเตเรียวปัจฉิมโมวพทยมาดูก่อนพิสู่ทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายสาวว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาแล้วก็สอนลุงทุกขษัตริย์นะฮะตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นการสอนผู้่องทุกขัตริย์ เธอตั้งเธอตั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นในสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นก็คือสอนเรื่องมรรคสัตริย์ก็มาสรุปที่ตัวมรรคสัตว์มรรคสัตริย์ก็คืออะไรมาคุกัประการก็คือการ น, นะนะก็คือการวันภ า, าวนาตรงนี้เราจะได้ยินคําซึ่งตามปกติเขาไม่เอามาม า, ม า, มาพูดรวมกันทีเดียวเราพูมเยอะเหลือเกนะินแหะแต่นํามาทั้งหมด เรียกว่ามีคำเรียกอยู่สองคำคำหนึ่งเรียกว่าพิญญาเทศิทธรรมคือธรรมะที่ส่งแสดงเพื่อความรู้อันยศ อ, อันยอดยิ่งหมายความว่าถ้ารู้อย่างนี้ได้แล้วก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโพธิปเกียรธรรมเป็นธรรมะที่เป็นฝ่าย ขององค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรูธรรมาตามที่พระพุทธได้สสรูแล้วก็ส่งยกมาทั้งหมดนะฮะสติปัฏฐานสอิทิบาทสี่สมัปประฐานสี่อินรียห้าพระละห้าพุชงเจ็ดพักมีออกปดกระจกสามสามเจดขอ้อที่จริงทั้งหมดมันซ้อนกันอยู่ในความเป็นสติปัฏฐานสี่นั่นเองที่จริงก็ว่าไว้ทั้งหมดนะ เวลาการปฏิบัติมันจะคืบ ค, าคลานคล้ายๆทำนองปลูกพืชอย่างที่ว่ามันก็แตกกิ่งก้าน ร, ราขาได้ได้ได้ปลูกพืชไปก่อนนะแล้วก็แตกอะไรไปเรื่อยๆแต่มันก็เป็นพืชชนิดนั้นแหละเป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกเป็นผลของพืชชนิดนั้นพ้นกุศลธรรมตรงนี้มันก็เริ่มจากข้อใดก็ตามเวลาเราพบทรงแสดงในที่อื่นก็ไม่ได้แสดงหมดหรอก แสดงเพียงชุดใดชุดหนึ่งอย่างที่เรานํามาพุทธปฏิบัติการแพร่หลายเนี่ยและมายังมองว่าเพราะพระพุทธเจ้าไปรับประ ก, กันไว้ในตอนท้ายของพระสูตรหรืออย่างหนึ่งก็ทรงแสดงสรุปไว้ทั้งหมดว่าถ้าคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างชาติที่สุด แต่วันรู้มอกผลภายในเจ็ดชาติก็เริ่มจะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาติอย่างช้านะเจ็ดชาติแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องทาอย่างต่อเ น, นื่องพลสติปัฏฐานจึงมีการสอนที่แพร่หลายแล้ถ้าเราถามมาในแง่ขององค์ธรรมแล้วเนี่ยองค์ธรรมเราอื่นที่ว่าไว้มันอยู่ในสติปัฏฐานหรือเปล่ามึงก็อยู่อะ เป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกเป็นผลเป็นลำต้นขององค์ธรรมนั่นเองหมายความว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็เกิดขึ้นมันมีจุดบรรจบของมันคือจะผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ผลสรุปสุดยอดก็คือท่านจะสมบูรณ์ด้วยองค์ธรรมเหล่านี้ได้คิด่อยังไงกันตาม วันนิยกยกตัวอย่างเช่นเช่นเช่นสติปัฏฐานสิี่จริงก็บรรยายมาตั้งเยอะแล้วนะฮะบังยายมาตั้งเท่าไรเกือบยี่สิบปีแล้วยังไม่จบบนทีนก็เป็นการมองโดยสรุปจากพื้นฐานความคิดของคนที่โดยสรุปนั้นท่านจะเห็นว่า สรุปคืนเพยของคนตรงนี้ไว้สองอย่างเขาเรียกว่าตันหาจริตกับทิฏฐิจิตคือจิตคนมันจะดิน้นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นพอเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ได้เรื่องมันก็คว้าอย่างอื่นไปเรื่อยจิตมันจะสายมันจะวิ่งไปจนกว่าจะพอใจตราสาบไดยังไม่รู้สึกพอใจจิตมันก็ดิน้น แต่เราเห็นว่าการกาหนดจุดพอใจมันไม่เหมือนกันทําให้เราคบว่าคนสมัยพุทธกาลที่ตานประพฤติปฏิบัติที่กลายเป็นนักบวชอย่างอาจารย์ของพระพุทธเจ้าท่านก็พอใจแล้วอ่ะท่านก็หยุดแล้วแม้พระพุทธเจ้าจะอธิบายว่าที่อาจารย์สอนนยังไม่จบอ่ะยังมีอะไรอยู่ยังมีปัญหาอยู่ท่านก็ไม่เชื่อท่านก็หยุดตรงนั้นเอง วันทำให้เกิดเป็นลัทธิขึ้นมาต่า ง, างๆเป็นจนํานวนมากเพราะท่านเข้าใจวันจบแล้วหรือแม้แต่ไม่เข้าใจว่าจบแล้วแต่ท่านชอบตรงเนี้ยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงอาหารเต็มโตเรามันกินอยู่แกงถ้วยเดียวแต่เด็กเขาชอบถ้วย น, นั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแม้เขาบอกว่าอาหารนั้นไม่ค่อยมีคุณค่าทางอาหารเนาะมันน่าจะกินอย่างนี้มันมีสารอาหารครบบริบูรณ์ก็ไม่กินนะไม่รู้จะว่าอย่างไง อลนนั้นก็คือธรรมชาติของคนเราจึงเห็นว่าพื้นฐานที่คนปฏิบัติได้เนี่ยมันมีเยอะแล้วต่างคนดังก็พอใจในจุดนั้นแล้วก็เข้าใจไปตรงนั้นบางทีเนี่ยฮะเข้าใจ่าตรงนั้นคือจุดสุดยอดบางทีก็รู้ว่าไม่ใช่สุดยอดแต่ท่านพอใจตรงนั้นเพราะแนวตรงนี้จิตมันก็ดิ้นไปเรื่อยๆเพราะหยุดที่จุดของตัวเองพอใจ เราก็เห็นภาพตัวนี้ภาพตักตรงนั้นชิมทีตรงนี้ชิมทีแล้วก็ชอบใจตรงไหนก็กินตรงนั้นน่ยท่านเรียกว่าตัณหาจริตกล้าปัญญามันน้อยมันจะมองกำหนดสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันทั้งหลายเนี่ยเป็นการเกาะกลุ่มของขันทาตอาจตนาก็เรียกว่าประกอบแต่ดินนำหลวงไฟโดยความรู้สึกรักใครพอใจสยบติดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่ง dot นั้นแม้จะเห็นยังไงมันก็ไม่เห็น เราจะเห็นว่าเราไปในงานศพยังแต่งตัวเสื้อสวยไรเงี้ยรู้ไรันีายทางที่บอกว่าชีวิตเธอมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ในโกรธในโลงในอะไรก็สร้างมานะมันก็ตายแต่นะั้นแต่คนก็ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ถือว่าการพูดถึงเรื่องตายเป็นอัปมงคลพูดเรื่องตายไม่ได้ทางที่พูดเรื่องความจริงเนี่ยก็พูดไม่ได้ นั้นแสดงถึงว่าปัญญาไม่มากพอต่อการจะวินิจฉัยตัดสินแล้วก็หลงเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นวิธีแก้ของพระเจ้าก็คือว่าค่อยๆเพิ่มเหตุผลค่อยๆเพิ่มสติปัญญาเพิ่มความคิดให้เขาแต่สติปัญญาจะเพิ่มได้ใจมันต้องสงบมันต้องนิ่งมันจึงจะเห็น มองนิ่งน่งมองซ้ำอยู่ด้านในจุดนั้นมองแล้วก็จะเห็นว่ามันมันไม่ได้เป็นนที่เราคิดว่ามันเป็นเพราะแนวเราเนี้ยก็ส่งกระจายออกไปที่กระจายออกไปเนี่ยมันก็ลักษณะของตัณหาว่ามียาบขนาดไหนตัณหายาวเท่าไรเนี่ยปัญญามันน้อยเท่านั้นตัณหาลดเท่าไรเนี่ยปัญญามันจะสูงขึ้นเท่านั้นคพราบางครั้งเราจึงต้องไปเรียนความจริงกับศก เรียนศพกันสดๆเลยเรียนศพยังไม่อยู่เลยนะบางเทียรเราลองดูวอ้ น, นิสิตแพทย์ที่ก็เรียนการจรําแหลกศพเขาเรียนการจำแหลกศพผลท้ายก็มีปัญหาเรื่องชูสาวอยู่ทีนั้นนั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้ถึงใจอะไรเลยไม่ได้มองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความปฏิกูลอะไรแต่อะไรของร่างกายเพราะฉวิธีนี้จึงต้องมองซ้ำๆซัก ๆ, ๆคิดแล้วคิดอีกดูแล้วดูอีกนะฮะ บางทีก็ดูที่ศพน้ําเหลืองไหลเปื่อยหน้าอุปพังดูศพเผาอะไรแต่แก็ดูไว้มันเห็นตีก็เข้าไปอยู่ในป่าชา้าเพราะฉะนั้นภาพ บ, บางรูปพระเจ้าส่งไปโดยเฉพาะเลยส่งเข้าป่าช้าเลยพวกนี้ไม่ได้เรื่องเะไปดูตรงอื่นไม่เห็นน่ะก็แสดงว่าตันหาเกย์ยะปัญญาแก่น้อยตันหาตันหามันเยอะเลยเกิดปิดบางเหตุผลสติปัญญาก็ดูกันจะดจะเลยดูศพกันเลย เราจึงพบอย่างที่เคยเล่าความว่าพระรูปหนึ่งที่พระเจ้าต้องชะลอการโผลศพนางสิริมาไว้ตั้งเจ็ดวันปล่อยตามสภาพจนเปื่อยจนเหม็นกลิ่นปรากฏเป็นในที่ไกลๆนะฮะแล้วก็ไปยืนดูกันยื ด, ด, ดูแล้วก็เท่แล้วก็สอนแล้วกชี่ยูชายสาธิตดูกันทั้งนั้นเลยมันหมายความว่าจิตใจท่านท่า น, ท, านท่านสาหัสมาก จะสอนนั่งดูลมหายใจเข้าออกอะไรได้แต่เราไม่ได้เรียคหรอกถมามาคนเรานีใช้ไม่ได้คล้ายๆกับอย่างที่เคยยกตัวอย่างฟังเม่ ก, กี้ว่าไม้มันหยาบอะมันใช้กระดาษทรายไม่ได้มันต้องใส่กบก่อนแล้วค่อยถึงจังหวะหนึ่งก็ค่อยว่ากันทีนี้พอสมมุติว่าเรียนจับได้จุดใดจุดหนึ่งแล้วนี่ใจมันจะวิ่งต่อนนะก็เห็นว่าร่างกายมันมันเกาะติดไม่ได้ก็คว้าอย่างอื่น ไปคว้าตัวสุข เ, ขเวทนาตัวสุขคือเข้าใจว่าสุขต่างๆเห็นไหมฮะจิตมันก็ดิ้นไปหาสวรรค์หาสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ไปหาพรหมอะไรแต่ไรที่จริงมันไม่เที่ยงแต่นั้นเนะ่ะเวทนาเหล่านี้มันก็เหมือนกันไม่เที่ยงแต่ว่ามันอยู่นานหน่อยแนะนั้นเองจิตมันก็ดิ้นไปเรื่อยๆพระเจ้าก็มาสอนในตัวเวทนาความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีแล้วสอนดูละเอียดนะฮะ ถ้าเราไม่ไม่ฝึกมากพอไี้จิมก็ดูไม่ทันเนเป็นการดูเวทนาทั้งเก้าเวทนาตรงนี้มันปนอะไรมันเจืออะไรยังไงดูแต่เราดูขนาดสามเนก็แย่แล้วนะฮะดูสุขดูทุกข์ดูไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยก็ดูไม่ค่อยทันอยู่แล้วเวลาฝึกมันก็อาจจะดูแค่เวทนาข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาที่เราชอบ มันเที่ยงแท้แน่นอนมันยั่งยืนไม่แปรผันจริงหรือเปล่าเราก็จะเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในที่สุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะปล่อยวางในตัวเวทนาเราจึงพบว่ามีพระปี่ชาวบ้านมีเลยกลุ่มเนี่ยกลุ่มๆที่เรียนกับกายกับเวทนาเลยบรรลุมรรคผลไปเยอะเป็นพวกปัญญาย่อมขีดไม่เรียนหมดเลยทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งาทังกายทั้งอ ย, งยามาเรียนหมดเลยมาดูหมดเลย แม้ท่านก็บรรลุมรกรนได้ท่านปัญจวัคคียนั้นที่จริงติดสุขติดสุขเวทนาติดถึงการเข้าใจว่าร่างกายเป็นของเที่ยงแท้นั้นจิตเป็นตัวเชี่ยงนะให้จิตเป็นตัวเที่ยงแทน้นั่นแล้วถือว่าเป็นการเข้าไปอยู่รวมกับพระพรหมเป็นสุขนิรันดรเพราะนพุทธเจ้าจึงชำระให้ดูหมดเลยให้ดูที่รูปดูที่เวทนาดูที่สัญญาดูที่สังขารดูที่ปัญญาเพรามันไม่มีอะไรสักอย่าง แต่เวลาเทศทั่วไปบางทีก็ไม่เอามาทั้งหมดนะฮะเอามาเฉพาะเฉพาะที่ท่านเหล่านั้นมีปัญหาเราจึงเห็นปริยาเยอะในยาต่างๆเยอะคล้ายๆกับต่อมามันมากแต่จริงๆก็ไม่ได้มากอะไรอ่ะก็ซ้ำแลวซ้ำอีกอยู่เนี้ยก็อยู่ในตัวเราทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกทิฏฐิคือความเห็นความเห็นมันก็มีอยากทิฏฐิที่จริงมันเป็นปัญญาน ะ, ะทิฏฐิจริต หมายความว่ามีความหินที่ปัดใจลงไปเลยแล้วแกก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถือจิตเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้เอากาย ก, กับเวทนายอมมันมันไม่เที่ยงแต่ถือว่าจิตเที่ยงถือว่าจิตเที่ยงพวกนี้ก็จะไปยึดจิตในจิตผู้เจ้าก็สอนให้ดูจิตว่าจิตที่จริงเนี่ยมันไม่ได้มีโดยลาพังของมัน มันจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตที่มาปรุงมาเปลี่ยนจิตเป็นจิตมีเมตตามีกรุณามีขี้เกียจมีศรัทธามีปัญญามีสติไม่มีสติอะไรแต่แมันก็เปลี่ยนกับมันเรื่ไม่เห็นมันมันมันอยู่นิ่งสักครั้งนะแล้วก็ทรงสอนให้ดูว่าการเข้าใจว่าจิตเที่ยงเนี่ยเอากายเที่ยงเนี่ยดีกว่าเพราะยังไงกายมันก็อยู่ได้เป็นชั่วโมงนะ อู่ได้เป็นโยชุมโมแต่จิตเนี้ยไม่มีเลยแม้แต่ขนาดเนี่ยมันมันก็อยู่ไม่ได้เลยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็ดูจิตแล้วก็รู้อมประกอบของจิตว่าจิตมีราคาไม่มีราคามีโทสะไม่มีโทสะแล้วก็ดูไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนมีราคาก็ไม่มีตลอดมีโทสะก็ไม่มีตลอดมีเมตตาก็ไม่ตลอดมีสงบก็ไม่ตลอดมันก็เกิดดับเกิดดับก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เป็นสภาพของจิตที่ดิ้นเหมือนน้าที่หยดน้ำที่อยู่บนใบบัวใบบอล น, นะถูกลมพัดมันก็กลิ่งไปกริ่งมาทงหยุนรอดสออะไรจะไรเนี่ยนะทีที ท, ทีให้ดูอะไรที่มันมันไม่นิ่งอ่ะเพื่อมองเห็นจิตว่าเป็นของไม่เที่ยงทีนี้สมมติว่าท่านเห็นตรงเนี้ยทั้งทั้งท่านท่านไม่หยุดท่านก็วิ่งคว้าต่อวิ่งคว้าต่อไปกล่าวสรุปรวมธรรมะ ธรรมะก็กลายเป็นของเขียวปุจจ ա กก็เอาธรรมะนี่มาสอนสรุปหมดเลยทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆในพวกธรรมานุปัสสนาเนี่มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางกนะเอามาสอนแล้วมาแยกตามปกติจะสอนรวมแต่เพราะว่าพวกนี้ทิฏฐิมันกล้าแสดงว่าปัญญาบนแยะแต่ว่ากิเลสมันก็มันมันมันหนืดมันติดนะมันยึดติดตัวหน้าของความเห็น ที่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ติดตรงนี้ยติดที่ถูกความเห็นไม่ได้ติดใจในรู ป, ปวัตถุอะไรแต่อะไรเลยอย่างพวกนักบวชพวกเจ้าลัทธิททต่างๆในเรื่องหรืออย่างที่เล่าเรื่องสันใจบริชาชกนะฮะท่า <ห Rose. S 1> นเห็นวปกติที่ิฏฐิคือความเห็นของท่านท่านยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่รู้แต่พระพุทธเจ้าก็เด็กกว่าท่านนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าปึงปึงประชวรมาอยุแค่สามสิบหกต่ 6, นั้นเองตอนนั้นท่านก็แก่แล้ว ท่านก็ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมมาเป็นลุงสิทธพุทธเจ้าท่านก็มาจากทิฏฐิมันไม่ใช่หลงติดสมบัติอะไรท่านก็ไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยอะไรไม่มีอะไรแต่ปัญหามันติดติดอยู่ที่ทิฏฐิเท่า น, นั้นเองดังนั้นก็นามาสอนนํามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องนอตนี้ก็สิ่งที่จะำเพิ่มขึ้นมันคืออะไรก็คือว่าร่างกายมันก็สงบขึ้น เพราะอะไรเพราะว่ามันมันไม่มีเราไม่มีเขาแล้วไม่รู้จะเบียดเบียนไปทำอะไรเบียดเบียมนมาก่อได้บาปแล้วเขาที่เราต้องการให้ตายเราต้องการเราทำอะไรหรือไม่ทำเขาก็ตายตกลงมันปล่อยวางไม่มีทั้งเราทั้งเขาไปเลยเรียนเรียนไปเรียนมากลายเป็นไม่มีทั้งเราทั้งเขาไป แต่จริงแล้วก็กว่าจะถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องทําได้ง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องทําได้ง่ายเพราะ ง, งั้นถ้าก็สอนไปนเรื่อยตั้งแต่เป็นเราเป็นเขาแต่แค่ยอมรับความเป็นเราเป็นเขาเป็นข้อปฏิบัติระดับที่เราเรียกว่าศีลสิกขาคือศีลนี่มีเรามีเขานะให้เราสังเกตว่าศีลนี่มีเรามีเขาแต่ว่าให้เคารพสิทธิของกันและกันนะเราพูดถึงสิทธิมนุมนษยชนในปัจจุบันนะฮะ ถึงสิทธิมนุษยชนพูดถึงรัฐธรรมนูญพูดถึงอะไรแต่ใดในเยอะแยะไปหมดเลยนะที่จริงแล้วเนี่ยของผู้เจ้าว่าไปตั้งนานแล้วนะะเป็นเข้าไปตัวระดับศีลแต่นั้นเองเดี๋ยวก็ไม่ต้องพูดมากอะไรนะฮะยอมรับสิทธิของบุคคลอื่นสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองแต่นั้นสามอย่างพอแล้วไม่ต้องไปนับไหรอกอย่างมันก็อยู่ในกลุ่มนั้นแหละก็กลายเป็นเรื่องศีล แล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยพอระดับธรรมะปฏิบัตินั้นมันจะสลายความเป็นเราเป็นเขาแต่จะคงความเป็นเราก็เป็นพวกเราแล้ะพวกเราพึ่ขยายไปเรื่อยจนเป็นสเปสตานะกว่าจะเป็นสเปสตามันก็ว่าไว้ก่อนนะนะแต่ว่าปูพื้นฐานไว้จริงๆมันไม่ใช่าาทาได้ง่ายๆหรอกการจะทําทใจเนี่ยการจะทําทใจยอมรับคนอื่นว่าเป็นพวกเดียวกับเราเนี่ย มันก็อัตราของคนมันก็เยอะแต่ก็เป็นเรื่องการพยายามฝึกพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ถึงไม่ไม่มีทั้งเราทั้งเขาที่วิากายก็สักแต่วิากายเวทนาก็สักแต่ว่าว่าเวทนาไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็เรียกเรียกชื่อตา ม, มาหลงกรรมฐานเหล่านั้นแต่ละข้อเนี่ย ถ้าเราแยกกลุ่มนะฮะถ้าเราแยกกลุ่มจริงๆมันมีทั้งยี่สิบเอ็ดยี่สิบข้อใหญ่ยี่สิบข้อย่อยนะฮะแต่บ่งกลุ่มโผกลุ่มข้อให ญ, ตใหญ่ต้องการที่จะลดตันเพิ่มทิฏฐิสมาธิทิฐิขึ้นนะฮะแต่แต่เราจะเราจะพูดในดแนไหนพูดในแนวละหมายความมาลดตัวกิเลสพูดในแนวภาวนาก็คือเพิ่มตัวกุศลแล้วกุศลที่เพิ่มเนี่ยมันจะลด อกุศลให้เราเองก็แคร่รับประทานอาหารมันก็ลดความหิวให้เราเองนั่นเองทีนี้สติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อิทธิบาทนั้นเป็นธรรมระดจริงๆแล้วนะครับเป็นธรรมระดับระดับระดับในอภิธรรมแต่ว่าเวลาเราออมาพูดเนี่ยเราไม่พูดหมดหอกกุญปณิดเดียวพูดเฉพาะชื่ออัวข้อ เป็นธรรมะที่ต้องใช้ตลอดหมายความว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นบรารแล้วก็ต้องมีตรงนี้อยู่ตลอดเราสามารถที่จะบำเพ็ญเพียรเจริญเช่นเช่นสมมุติว่าป่วยเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้อิธิบาทภาวนาจเจริญอิทธิบาทหายป่วยนะฮะหายป่วยได้ไดแล้วสามารถยืดอายุได้ ที่รับสั่งเล่าว่าถ้าจะเริญอิทธิบาทภาวนาให้เต็มที่เนี่ยมันสามารถจะอยู่อายุได้พระพุทธเจ้าสามารถจะยืดอายุได้20บปีถึงสี่สิบปีนะถึงประมาณร้อยยี่สิบปีแต่ไม่ยืดหรอกพระนนขอยืดพระเจ้าไม่ยืดมันก็นิาพนยายนั่นแหะมันภารากิจที่จะต้องทามนันเสร็จแล้วแต่ร่างกายของพระองค์ใช้มาเรือเ่อยๆใช้มาเรืเกินถ้าทํามันก็ต้องเจริยนอิธิบาทจะเรื่อยๆ ต้องต้องต้องเจริญเรื่อย ๆ, ๆ, ๆสมมุติว่าเทศเสร็จแล้วว่าตอนเชื่องก็ต้องนั่งเจริญอิติบาทต่อร่างกายมันสุดมากก็นันทิสุขก็ปล่อยมกกัน ก, ก็ปล่อยให้มันดับเพราะว่ากิจของศาสดาที่จะต้องทําในฐานะศาสนามันเสร็จาาแล้วทั้งหมดวางกฎเกณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าคนยึดมั่นในธรรมวินัยศาสนาก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่สําคัญอะไรเพราะว่าตัวการจริงๆก็คืออยู่ที่ทตัวพระธรรมวินัย แต่หมาความว่าถ้าจเจริญมันก็เจริญได้ท่านเรียกว่าชันทะคือให้มีความพอใจในเรื่องนั้นๆที่เรามาพูดเราพูดในธรรมะในแนวชีวิตประจำวันวนี่นะฮะหมายความว่าจะทำอะไรก็ตามก็ให้ปลูกขวงความพอใจในเรื่องล่านั้นที่จริงพอใจทั้งสองอย่างคือพอใจในการละฝ่ายไม่ดีและพอใจในการเพิ่มพูนความดี แต่เนื่องจากท่านเน้นไปในกลุ่มกุศลธรรมคือเน้นไปที่ตัวภาวนามความพอใจในตัวความดีแล้วพอใจเฉยๆมันก็ไม่ได้มันก็อย่างที่ว่านะครับพอใจที่จะให้กิเลสมันหมดแต่ไม่ได้ใช้ความเพียายามพอใจที่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ไม่ไปมันก็ไม่ไปนะฮะพอใจที่จะรู้หนังสือประสบความสําเร็จแต่ไม่อ่านไม่เรียนไม่ศึกษามันก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะงั้นก็ทรงสอนใช้คําว่าวิริยะ วิริยะแปลว่าความกล้าหาญที่เรามาตั้งชื่อคนเป็นวีระนะฮะวีระแต่เราเรียกยังไงมันกรอนคำไปยังไงไม่รู้เหมือนกันก็แปลกดีเมันกลายเป็นวิริยะไปที่จริงที่เพียนนะฮะคว่าคำว่าความเพียนที่เรียกว่าความเพียนก็คือตัวต ว, ต ว, ต ว, ตววิริยะมันก็มากระทาดมันก็เห็นอยู่ว่าเป็นเป็นเป็นวิริยะแต่พอตพอนนั้นเราพูดเป็นวิริยะไปเสียงมันสั้น แต่จริงเป็นสระีนะครับไม่เมตไม่ใช่สระีเรีว่าความกระหายหมายความมาบนเส้นทางของความเพียรพยาธิเนี่ยมันจะต้องมีความกระหายไม่หวาดวัน่นตะอุปสรรคอันตรายขวากหนามหลุมบอ่ออะไรต่างๆจะต้องเผชิญหน้าเยอะแยะไปหมดเลยที่เราพูดว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้ปูราเดียกรีปูร่า หมาบุรุษทั้งหลายไม่มีใครชีวิตที่ราบเรียบทั่คนหนึ่งนะเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องหนีต้องซุกซ่อนต้องหลบภัยอันตรายกว่าจะประสบความสำเร็จได้มันคล้ายๆกับถูกท้าทายอะไรเยอะเยอะแล้วเราดูต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าเรา้าเทียบกับคนอื่นแน่นะฮะพรเจ้าสบายมากนะ ไม่ไม่เคยมีใครที่ไปล้างผลาญรุนแรงโดยเฉพาะอย่าง ย, งยิ่งคือตอนหกปีแรกเหกปีแรกมันอาจจะเป็นยุคที่พิสูจน์ทดสอบและมีการค้นคว้า ก, กันแล้วก็ไม่ไปขัดขวางผลประโยชน์อะไรพรู้วเจ้ารณ์ลาหมดไม่ขัดขวางผลประโยชน์อะไรของใครแล้วก็ไม่มีการแสดงอะไรให้คนอื่นเห็นเป็นปฏิปักษ์เพราะงั้นในการไล่ล่าการเข็นฆ่าการทำลาย อย่างาศาสดาทั้งหลายที่โดนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่โดนแต่พอตอนจัดสรุปสอนเริ่มเริ่มโดนนะฮะเราจะเห็นว่าพอเริ่มสอนเนี่เริ่มโดนนะ่ะมีการต่อต้านมีการขัดขวางมีการใส่ร้ายมีการปลูกระดมหาเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าี่ไม่นิ่งเลยก็เลยพอวันเริ่มไปคนเป็นมารู้สึกว่าพุทธเจ้าไปทํำลายผลประโยชน์เขา ไปสอนให้คนเลิกดื่มสุราอย่างเงี้ยพวกขายสุราเขาก็เสียหายหมดคนก็โกรธอ่ะสอนอะไรก็ตามในใะจว่ามีคนสูญเสียผลประโยชน์ทุกเรื่องที่พระเจ้าสอนมีคนสูญเสียผลประโยชน์ทั้งนั้นหลยพวกกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่ได้จากเรื่องเหล่านี้เช่นสอนให้คนรักษาศีลสอนให้คนรักษาศีลบูชุ่นนีก่กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ที่มันเป็นธุรกิจอยู่ ม, มันก็จบอ่ะ ก็เดินไม่ได้เพราะงั้นก็มีคนโกรธแต่ว่าเป็นภารกิจที่ต้องทําเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เจตนาทําลายคล้ายๆกับรารับประทานยาเราไม่เจตนาจะฆ่าเชื้อโรคอะแต่ถา้าไม่เชื้อโรคตายแม้แก็าตายอก็ตายตอนนั้นเนี่นะฮะตัวพยาตัตวเชื้อโรคทั้งหลายไม่ั้งตายต่นนั้นเพียงแต่เราไม่มีเจตนาจะฆ่ามันเราเจตนาจะรักษาร่างกาย เมือกัเราเจตนาเดินเราเดินเนี่ยเราเดินเราขับรถเนี่ยแล้วทามันมีสัตว์ตายนะขับรถตั้งหลายกิโลไม่เจอสัตว์อะไรเลยก็เกินไปแหละแต่เราไม่ได้เจตนาจะทับสัตว์เราเจตนาจะไปเราเจตนาจะเดินเรเจตนาจะทํางานเพราะนั้นกรรมจึงจึงๆพูดถึงเรื่องเจตนาพูดถึงเรื่องเจตนาคือความจงใจการตั้งใจจะทําแล้วถ้าตั้งหลายลองดูว่าตัวอิทธิบาสสี่ก็ได้นะดูอิทธิบาสสี่ก็ได้นะ จะเห็นว่าอิติบาทสีที่จริงมันซ่อนอะไรไว้เยอะมันไม่ได้มีเฉพาะอิธิบาทสี่ตัวฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่เป็นกุศลคือสิ่งที่เป็นความดีนั่นหมายความไงหมายความเป็นความเห็นชอบเป็นความคิดชอบแล้วความคิดชอบจะถามอะไรมากไปอะไรคือสัมมาทังกับปะเป็นความเห็นชอบเห็นก่อนว่าอ้นี่มันดีแล้วเกิดชอบในความดีเหล่านั้นก็ เลงว่าในต ร, ตรงนี้มันก็เป็นศรัทธาเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ซ่อนๆกันอยู่นะฮะซ่อนๆ อ, อยู่ในความเป็นท่น า, านใช้คําว่าฉันทะเฉยๆชันทะที่จริงเ ร, เ, ร เ, รเราได้ยินน้อยนะฮะเราได้ยินน้อยเพราะอะไรเพราะว่าบางชีเนี่ยมันใช้ในเรื่องโลกโลกแบบนี้เรื่องธรมธรมดาธรรมดา เรื่องกามฉันทะเห็นไหมฮะพวกนี้วกกัอนอนะกามฉันทะ ก, ก็ใช้ก็ใช้คาว่าฉันทะเหมือนกันก็แสดงว่าใช้ได้ทั้งสองอย่างแต่ในที่นี้ท่านจะคุมไว้ว่าฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่ดีงาะพอใจในความสาเร็จความเจริญก้าวมาพอใจในการลดละแบบกิเลสต้งใจหลงไปพอใจในกุศลธรรมทั้งหลายพอใจในสุขระดับต่างๆเป็นต้นหนึ่งก็สรุปว่ามีฉันทะคือความพอใจ แล้วก็ใช้ความเพียรพยายามเพื่อบรรลุปเป้าหมายตรงนั้นในความเพียรพยายามนั่นเองนะฮะท่านท่านท่า น, านจเห็นว่ามันเป็นสัมมาวายมะคือความพยายามต่างที่ชอบเป็นอริมักเป็นอริมักที่ปนอยู่ตรงนั้นแหละเวลาปฏิบัติไปแล้วมันเป็นหมดนะฮะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้นะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้อย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรารักษาศีห้า งข้อไหนแล้วสมมติเราสิงข้อที่สองอาทิตนาทานภาษาสิ่งข้ออาทิตนาทานเรามองในแง่สี่งก็คือคนมีศีลมองในแง่กฎหมายก็คือคนเคารพ ก, กฎหมายมองในแง่นิติศาสตร์นะฮะคือคนเคารพตามกฎหมายมองในแง่สังคมคือกนอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมองในแง่ของรัฐศาสตร์การบริหารบ้านเมืองเกิดผลดีงาม มีความปลอดภัยในทรัพย์สินมีความปลอดภัยในชีวิตซึ่งเป็นปัญหาหลักของสังคมมองในแง่เศรษฐศาสตร์ทรัพย์สินคนกไ็ไม่ถูกทําลายไปอมองในแง่จิตวิทยาคนก็เข้าออเข้าใจกันมองในแง่าการศึกษาการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายคือคุมพฤติกรรมของมนุษย์บุ๋มไม่รู้จะเนื้อหาวิชาตะกีศาสตร์ใช่ไหมจริงๆก็คืออธินาธานข้อเดียวอธินาธานข้อเดียวแต่นั้เด็ก เมื่อวานเนี่ยมาได้รับนิมนต์ไปร่วมอะไรประถมมัทัศพัฒนาแผนแปดที่หอประชุมสศรษฐกิจตอนที่ส5าเนี่ยนะัะมีเอกสารที่เขาให้วันก่อนมาดูตั้งเจ็ดแปดเล่มเราอ่านแล้วมันพุ่งเฟืย่ยมันพุ่งเฟื่อยแลยเกินคือใช้คำเยอะเลยเกินน่มันไม่จำเป็นเนี่ยต้องไปพูดอย่างนั้นเนยเมื่อคืนเนี่ยไปฟังโส ฟังสวดศพสมเด็จวรรณรักคือสลับไปนะอัดสามัญญาคืนวัดสมคืนสลับไปก็ได้วัดละสามคืนคืนนี้ก็พักก่อนก็นั่งคุยกับฟังพระสวดพิธีธรรมโยมคงได้ยินเลนะพิธธรรมพระก็ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะอย่าว่าโยมเลยวันนี้มันฟุ่งเฟื่อยดีเลมันน้ำ ม, มันเยอะเลยมันมันเอื้อนอยู่นี้เอื้อนอยู่โยยาเยีเลยแกว่าตัดสมิงสมัยเย ค, คําเดียเนี่ยเราตั้งเวลาเนี่ยตั้งนาทีกว่า แต่สมิงสมเจคันเดี่ยนี่เดี่ยน้ำโมตัดสาี่น้โมตัดสาสองคำว่าที่ยาวยต้งนานชีกว่าบบ้คยไม่มีแต่น้ําเนี่ยไม่มีเนื้อเลยมันสวดอะไรไม่มีเนื้อเลยแล้วไม่ได้เรื่องอะไรอะไม่ได้เรื่องอะไ ร, ไไ เ, ร, ออะไรเป็นพิธีก็สอบถามกันกันหลายทีนั่งคุยกันมันมาจากไหนมันมาอย่างไงแล้วก็สวดไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคือไม่รู้เรื่องอะไรเลย แดีวคนสวดเราไม่ต้องพูดเราไม่รู้เรื่องเลยนะคนุณสวดเองก็ไม่รู้เรื่องว่ามันแปลว่าอย่างไงที่สวดไปเลยน้ําเยอะนะฮะน้ําเยอะไม่มีเนื้อก็เป็นพิธีกรรมเป็นวิธีกรรมที่ต่างคนต่างก็คิดจะรักษากันไว้แล้วก็สืบต่อกันนะนะพระทั่วไปสวดไม่ได้หรอกมันมันมันเป็นเป็นกลุ่มที่ก็ฝึกกันมาโดยเฉพาะแล้วก็มีไม่กี่วัดในใน กรุงเทพโดยหมายความว่าถ้าตายทั้งส่วนพี่ที่ทำมากๆแล้วต้องสลับนะแล้วต้องวิ่งรอกเลยนะฮะพระทั่วไปจะตวจไม่ได้เขาไม่มีใครก็ฝึกในข้อว่า ว, ว, ว, ว่าวิริยะเนี่ยวิริยะเวลาเขาเรียกจริงๆเนี่ยเขาเรียกจริง ๆ, ๆเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิปทานะสังขารคือมันมีธรรมะสี่องค์ในแต่ละข้อเนี่ย สันชันทะก็คือความพอใจสมาธิคือสงบตั้งมั่นประธานะก็คือความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานทุกเรื่องเนี่ยมันต้องมีความเพียรคุมแล้วก็สังขารคือการเพิ่มเติมการปรุงแต่งให้เกิดคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นเวลาวิะเจ้าแสดงเนี่ยสำนวน ว, นวนรรณคดีเขาเรียกว่ามันเต้นได้ภาษาเนี่ยมันเต้นได้คล้ายๆกับบทโครงต่างๆที่ท่านเราสังเกตว่าบทโครงที่เราซึ่งมากเราอ่านปับ๊บเดียเราซึ่งมาก ภาษามันเต้นภาษามันเต้นได้มันโอ้มันซึ้งมากอ่ะนะอย่างอย่งอย่างวันก่อนน่ยใครใครที่เขาเขียนเอามาว่าที่ที่เขียนเรื่องสมเด็จญ่าเนี่ยอัดไว้แต่มันมันหายไปหรือเปล่าไปรู้เอามาว่าอะไรเยนันพิตรปิชาฮทรงเสด็จเสด็จสวงพ่วงสวรรค์ยังไม่ทันวัสดินจะสิ้นสายอู้มันดีมากเลยแล้วอ่านมาตลอดว่าม่ไม่เจอใครเขียนได้ขนาดนี้เลย และจําไม่ได้ตลอดนะครับ่อ ด, ดูดูดูนั้นเต้นเพาะมากเพาะมากสแสดงนึ้วแรงบันดาลใจที่สูงมากหรือเหมือนอะไรฮะที่ที่ ท, ท, ที่ใครเขียนที่ยิงสั้นๆเนี่ยนะสั้นๆแต่รอยมันเพาะมากเลยก็มันเต้นได้นะเปลวเทียนละลายแท่งในสองแสงนันอำพัยชีวิตมาลายไปเหลืออะไรไว้ทดแทนเด็กรุ่นหนุ่มนะฮะรุ่นผู้สิบสี่ตุลาเนี่ยพวกพวกเนี้ยเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นรุ่นใหม่เขียน จนได้เพราะมากนี่คือคือภาษาที่มันเต้นหมายความว่าจำนวนวัดวันังคดีอย่างหนึ่งเาเรียกวงกัดหูพอได้ยินปั๊บแต่โอ้ยมันภาษาที่มันเพราะจริงไม่รู้ใครไปใช้คำอะไนี้ครับใครไปคิดยังไงไม่รู้แต่ว่ามันมันมันคิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้แล้ว คลายๆกับอมตะ ว, วาจาของอัปราหัมลินคอนประชาประชาที่เป็นยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันมีใครคิดได้ก็จะพูดอีกสักร้อยพันคนก็พูดเถอะไม่มีได้ความขนาดนี้พูดไม่ได้แล้วเพราะธรรมะเนี่ยที่ส่งสอนเขายกสมบูรณ์ด้วยอัตถะคือเนื้อหามันพยัญชนะคือภาษาที่ใช้เราเห็นมันภาษามันเต้นภาษามันเต้นได้ เมื่อคืนนี่กำลังนั่งสวดเจ้าคุณที่วัดเนี่ยเขาเขียนโนทิ้งมามันมีคำบาลีว่าอัปปติวัตติโภกีก็เขาเทียงกันในหมู่นักบาลีนะฮะแต่มาก็บอกว่าตัวนี้สมเด็จพระาน า, านรันแปลว่าไม่หวงไวบริโภคคนเดียวมันไทย ร, ราอมันเป็นภาษาไทยที่ทล้างประโยคภาษาบาลี พูดถึงว่า อ, อพระเราไปบินธบาตมาได้อาหารอะไรก็แบ่งเฉลี่ยให้แก่เพื่อพิสูจนสามเณรด้วยกันนะฮะเป็นเกี่ยวสาธาณะโภคีบริโภคเป็นการทั่วไปสังฆอนคราะกันไม่หวงวายปริโภคผู้ดเดียวไครองมากนะใครรองมากพนะอมผมพูดปั๊บมันเห็นปั๊บทันทีเลยว่าเรามีเหลือกินเราใช้ก็แบ่งคนอื่นก็กิกนด้วย ภาษาใช้คำสั้นๆเดี๋ยมันไพเราะเพราะงั้นคำว่าบิริยะก็ดีชั้นทะาก็ดีเราจะเห็นว่าในภาคปฏิบัติที่เห็นถึงว่ามันมีความเพี่ยนเป็นหลักตัวตัวชันท่เองก็ต้องรักษาความเพี่ยนไว้แล้วในขณะเดียวกันต้องมั่นคงไม่ใช่จับที่ทำโน้นทำนั่นจับจดจดไม่ได้เรื่องเราทำไม่จริงไม่จังจับจับจดจดแบบอะไรก็ตุกแกวิ่งวิ่งหยุดหุดแล้วก็เดีจะต้องพยายามเพิ่มพูดขึ้น เพิ่มูนขึ้นว่าถึงจุดหนึ่งมันเจอภาษะข้าถ้าความพอใจมันหย่อนมันเถอะเลือกแล้วไม่เอาแล้วคือคิดคิดอย่างนั้นเมื่อวานเนี่ยมีพระเขาเขามาปรึกษาเจ้าวาดทางเมืองนนททางฟังทนนะนะก็จะสร้างวัดแล้วก็ประกบโดยชาวบ้านมาขัดขวางเขสร้างโบสถ์ชาวบ้านขัดขวางก็มีกลุมทรัพย์ไปเจ้าอู่ทองอยู่ใต้ใต้ตรงนั้นก็ขัดขวางไม่ไม่ยอมให้พระสา แล้วเขาก็ปรึกษาผู้ใหญ่นะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านแนะว่าเขาไม่สร้างก็อย่าสร้างเราไม่ได้บวตมาสร้างบุตรนี่ก็พูดอย่างนั้นก็ได้นะพูดอย่างนั้นก็ได้บางก็หยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่าถ้าพูดอย่างนั้นหมดแล้วงานเลยไม่ไม่ต้องทําเลยงานทั้งหลายไม่ต้องทํำนะฮะไปเทศคนไม่ควางเทศไม่เทศก็อย่าไม่คว้างก็อย่าเทศมานีเราไม่ได้บวตมาเทศอ สอนหนังสือ น, นักเรียนขี้เกียจไม่ไมสอนก็อย่าไม่เรียนก็อย่าสอนมาเราไม่เคยมาสอนแล้วตกลงมันไม่มีใครช่วยใครไม่มีใครทางานได้คิดอย่างนั้นมันก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีปัญหาในการคิดเพราะหลักในการคิด ม, ม, มันจึงมีองค์ประกอบของมันมันจะมองไปที่ตัวผลประโยชน์แล้วทุกอย่างเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราต้องใช้มากถ้าใช้ไม่มากแล้วเนี่เดินเกิดอุปสรรคขัดขวางแล้วถอย เพราะฉันท่ามันเหมือนกับหัวหอกมันเหมือนหัวหอกที่จะต้องหมุนไปให้ได้ตัวความเพียรในท่านบอกว่าเหมือนกับผ่านถ่ายมันก็รถแท็กเตอร์นะครับมันต้องดันต้องผักต้องดันต้องขูดต้องคุยไปให้ได้เลยแต่ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ชอบเลิกแล้วไม่เอาแล้มันก็ถอยเงินจ่เพราะงั้นตรงนี้ต้องมีความเข้มข้นอพอๆกันถ้าไม่ดันเราจะไปสุกไปไประสบความสำเร็จอย่างที่เคยยกตัวอย่างไอ้ฟัง ว, ว่า มันเหมือนวิ่งแข่งมาราธอนะคนมันเต็มถนนวิ่งเป็นพันๆเลยนะไปถึงจุดหมายไปต่างคนเดียวเองบางทีก็สะบักสะบอมไปเลยเวลาใช้ไปเยอะปรากฏว่าเพิ่งถึงเพราะอะไรเพราะว่าฉันท์โดยเฉพาะวิริยาเนี่ยความมุ่งมั่นเนี่ยมันอ่อนถึงเฮ้ยอยาเอาไม่ไหวเหนื่อยจะตาย <c oughs> เลยนนั่งดีงกว่าวิ่งไปก็แวะก้างทางวิ่งก็แวะกลางแวะเรื่อยนะเราเห็นว่าแวะมันก็หลดมภาพมันก็เห็นว่า ตัววิทิยาคือความเพียรนี่อยอดความตั้งใจเนี่ยมันถอยมันตกเกิดถดถอยขึ้นมาเห็นเพื่อนแซวไว้ขนาเดียวเราสู้ขาไม่ได้โอเคนี่ก็พอแล้วในสุดมันก็คนที่ถึงจุดหมายปลายทางจึงมีน้อยเพราะแนวอิทธิบาทเนี่จึงใช้ทุกเรื่องจะเป็นศึกษาเราเรียนจะไปทํางานจะเป็นการเดินจะเป็นอะไรอะไก็ตามต้องมีอิทธิบาทเป็นคุณสมบัติที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ เราจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยทำไมไม่ประสบความสำเร็จแล้ว ก, ก็จะเห็นว่าจุดบอดมันเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งต่อไปคือจิตตะความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังทําใจทําจริงมีความมุ่งมั่นอยู่ตรงนั้นเขียนหนังสือเขียนหนังสืออะไรทางานก็ทํางานจดจอบุ่งมั่นในเรื่องเราแล้วก็ทุกลําดับขั้นตอนต้องเรียกว่มีวิมังสาปัญญาน่ยจะเป็นถูกคุม ท่านทั้งหลายลองลองสังเกตว่าที่เคยพูดเรื่องแม่สีไสีสามสีสีเท่าไหร่ก็ช่างมานันเมันมีแม่สีอยู่ทางนั้นนะมันปนอยู่แม่สีปนอยู่ตรงนั้นว่าอะไรมันเข้มข้นมากกว่าเพราะการปฏิบัติธรรมะทั้งหมดในชีวิตของคนเรานอะไรก็ตามนะฮะมันจะมีธรรมะที่เป็นตัวหลักเหมือนกับแม่สีอยู่คือปัญญาสติความเพียร บางทีก็ไม่พูดสติก็ได้เพราะจริงๆมันก็มีอยู่แล้วปัญญาสติความเพียรต้องอยู่เหมือนกับแม่สีอยู่ทุกแห่งถ้าเราขาดไปสักข้อแล้วเรามีปัญหาทันทีก็เกิดพลาดเกิดเผลอเกิดทำไม่ประสบความสาเร็จเกิดเขาขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งเพราะฉนั้นวิมังษาในการแท่ปัญญาพิจารณาพิจารณาก่อนที่จะปลูกฝังความพอใจไม่ใช่พอใจไปเรื่อยๆมันต้องพิจารณาไวยก่อน แล้วในขณะใช้ความเพียรมันก็ต้องมีปัญญาสอนสองพิจารณาไอ้นี่ทําถูกไหมจะทําอย่างอื่นได้ไหมอะไรแต่ไหนไม่จะทํากันมาตามตามกันมาเรื่อยๆนะตามกันเลยก็ทําำนี้ก็ทําตามกันไปเรื่อยๆมันปรับปรุงมันย่นเวลาลงใช้ใช้เวลาสั้นทํางานให้ให้ให้ประสบความสําเร็จได้ไหมที่ก็เรียกว่ารอบรู้รวดเร็วเรียบร้อยใช้ความรอบรู้ทํางานได้รวดเร็วสําเร็จลงด้วยความเรียบร้อยใช้เวลาสั้น แต่งานประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลมากนั้นก็หมายความว่าปัญญาต้องเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงนะเช่นเช่นเวเนียพว ก, กเกษตรกรราย ต, ต่างๆที่เขาคิดคนจึงเป็นเรื่องที่น่าชมนะว่าคิดอะไรขึ้นมาได้คงพมเป็นลักษณะของเครื่องทุ่นแรงประหยัดเวลาทำไมจะต้องไปนั่งทําอย่างนั้นตั้งนานนะเรายุคยุคนี้มันเป็นยุค ใครเทคแล้วมันมียุควิทยาศาสตร์แล้วเป็นนั่งเอาจอบฟันโครมโครมอยู่มันไม่ไหวแล้ตรงนี้มันอะไรเป็นเรื่องทุ่มแรงได้ไหมแล้วมาช่วยตรงนี้ให้เบาแรงลงเป็นหนอรถน้ําต้นไม้นี่ทำยังไงจะไปลดไปเบาๆหน่อยไม่ต้องลดทุกต้นก็ตายได้เสียเวลาตายได้อันนี้ก็คือคือลักษณะของปัญญาที่สอนรสชาติความเพียรนะแต่ว่าเพียรเนี่ยมันมีผิดมีถูกพอใจไปก็มีผิดมีถูกเห็นไหมความมุ่งมั่นมันก็มีผิดมีถูก บางทีมุ่งมั่นไปเจาะเซฟชาวบ้านเ้าเนี่ยมันก็มันก็มุ่งมั่นนะนะมันก็มีความเพียรนะ่ะแต่มันผิดกฎหมายอะ่ะเหมือนปัญญามันก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วมองทะลุหมายความว่าปัญญานี่จะมองทะลุทําอะไรทํำยังไงทําไปเพื่ออะไระได้จะทำไปแล้วจะได้ผลยังไงจะได้กำไรเท่าไรลงทุนเท่าไรแต่มันก็มองทั้งระบบมองทตลอดสายมีตัวอย่างที่ไหนแล้วจะหาตลาดที่ไหน นะในฤดูอะไรในระอะไรแต่ละก็มีวิธีการคิดอะไรเยอะซึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยเราคิดไม่ค่อยตรงกันนะอย่างเวลนี้เราจะเร่งเรื่องการส่งเสริมการลงทุนไอเรามองว่าส่งเสริมการลงทุนนี่มันมั น, ม น, มนพวกเอาหัวกะทิไปกินหมดอะพวกต่างชาติหัวกะทิไปกินหมดล้วทิ้งกากทั้งหลายเอาไว้ในเมืองเรานะได้รังแรงงานถูกทรัพยากรเราถูกทาลายปนปี้หมดเลย แล้วกากก็ทิงอยู่ในเมืองเราคนไทยได้แรงงาน ถ, ถูกความร่ำรวยไปอยู่ก็บญี่ปุ่นไปอยู่ก็เกาหลีไปอยู่ก็บไต้หวันไปอยู่กัอเมริกาเอเราเราเไม่ค่ยชอบเท่าไหร่อ่ะนะเอ๊ะวิธีการมองไงมาพยายามติดตามก็พิปลาเอ้เราเราเรมองไม่เหมือนกันน่ะด้ว่าอย่างนั้นอนาคตเนี่ยจะลําบากอนาคตต่อไปแน่นอนเราตายก่อนเราแก่แล้วนะแต่ว่าพวกรุ่นลูกหลานรุ่นหลังเนี่ยจะลําบากเพราะทรัพยากรต่าง ธรรมชาติทั้งหลายนี่ชาติอื่นก็ไปใช้หมดอเมริกาไม่ขุดน้ํามันในเมืองเขามานีมันขุดในเมืองเขาตะวันออกกลางมาที่เจ้าพ่อเต็มโลกอยู่เลยไม่ขุดน้ํามันตัวเองคือทรัพยากรของเขาเนี่ยเขางมมุนิเขาไม่พูดก็ไม่พูดส่งเสริมการลงทุนในประเทศเขาจะส่งเสริมการลงทุนในประเทศอื่อันนี้คือวิมังสาเป็นมองลักษณะแสงที่เราพูดวิสัยทัศน์ปัจจุบันเนี่ยนะวิสัยทัศน์ก็หมายความยังไงของพระเจ้าคือวิมังสา มันมองเห็นทั้งระบบแล้วก็มองรอบตัวประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ของเราอาจจะไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในชาติอื่นมันมีไหมแล้วต่อมามันเกิดปัญหาขึ้นมาทำไมแอฟริกานี่เพื่อนไปขุดทองทองมันมาจากแอฟริกาส่วนใหญ่แต่เวนี้มันอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่อเมริกาแอฟริกายัางจนเหมือนเดิมบ่อทองขุมทองอยู่ที่นั่นแน่ น, นะแล้วทาไมมันยังจนละ่ะ ประชาชนยังเดือดร้อนวุ่นวายยังอยู่ในกระท่อมยังมีอาชญากรรมในบา้านในหมือนในทางที่เป็นมีขุ้มทองอยู่นี่ก็ mm. ก็ก็ ก, ก, ก็เป็นตัวอย่างลักษณะของวิมังษาว่าควรจะพอใจในการอย่างนี้หรือมาเห็นไหมมันก็เอาไปใช้ได้ทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเรื่องการบรรลุมรรคผลในพาะแต่พวกนี้พบเพิ่มขึ้นเนี่ยตัววิมังษานั่นคือตัวปัญญาตัวสติตัวปัญญา ถ้าถามอริยมรรคคืออะไรอริยมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเราจะเห็นว่าอิทธิบาทจริงๆพอเรามีอิทธิบาทมีอิทธิบาทเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะให้ดีก็แล้วกันเราเดินไปบนอริยมรรคแล้วเราชีวิตเราได้อยู่บนอริยมรรคแล้วอย่างน้อยระดับศีลกับระดับธรรมะอาจจะไม่ถึงสมาธินะฮะอาจจะไม่ถึงสมาธิที่สมบูรณ์แต่ก็อยู่ระดับธรรมะก็เรียกว่าไปอยู่ในทรรนองครองธรรม ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่นําความเดืดอดร้อนมาให้ทึงเราเห็นว่าคนบางคนบางครั้งร่ารวยทําไปทํามามันชอบมันโกงโอ้ยเพื่อนถูกยึดทรัพย์คนปีหมดเลยทํามว่ามีอิทธิบาทไหมมันมีอิทธิบาทแตโตัวชันทะเนี่ยมันผิดเห็นไหมไปชันทะพอใจในวิธีการที่ผิดความเพียรก็ผิดความมุ่งมั่นก็ผิดปัญญาก็ใช้ไปในทางผิดปัญญาก็ใช้ไปในทางผิด เมื่อชา้าในเห็นหนังสือพิมพ์การ์ตูนของไทยรัฐก็พูดเรื่องวุฒิสมาชิกนะอัตมายังถูกขอร้องให้ช่วยฝากโกลนเป็นวุฒิสมาชิกหรือไม่คตรนวันเหลือเกินจริงเลยเขาบอกมันขึ้นอยู่กับดวงแต่ก็ดวงนี้ก็แปลว่าดอก็คือเด็กของใครวอก็คือวิ่งอย่างไงงอะก็คือเงินเท่าไหร่เหนะ็นไ มันเป็นสูตรใหม่แล้วมันสูตรใหม่จะแล้วเด็กของใครนะวิ่งอย่างไรวิ่งเท่าไร่แล้วก็เงินของอเงินเท่าไหร่นะฮะตัวงอในชักจะสําคัญกว่าเพื่อนนะเพราะไม่มีงอแล้วมันไม่เป็นดวงนะต้องมีงอตัวเงินนี่มันตัวตั ว, ต, วตัวสําคัญที่สุดเลยจนก็ถามว่าเวนี้คุณคุณมีเท่าไหร่ก็ก็กสงมติว่าไปธานะรก็ค คือทางผิดเต็นแนวที่ทรงเน้นในที่นี้หมายความว่าเราต้องการผลที่เราต้องการจะเป็นระดับใดก็ตามนะฮะแล้วให้ประกอบเหตุเพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นพูดง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะหมายความว่าเธอต้องการผลอย่างนี้เธอต้องการความสําเร็จจากการมีสวนมะม่วงอะไรคือกรรมวิธีที่จะให้เกิดเป็นสวนมะม่วงขึ้นมาแล้วก็รักษาสวนมะม่วงพัฒนามะม่วงขึ้นมาแล้วกลายเป็นวงจรในข้าไปสู่ตลอด ตลาดแล้วก็เสริมสร้างตลานเศรษฐกิจเราแล้ก็ศึกษากับวิธีเหล่านั้นหมายความว่าประกอบเหตุให้สอดคล้องกับผลที่เราต้องการและผลนั้นก็ไม่ควรจะยุดติดอยู่ในผลระดับใดระดับหนึ่งควรจะมองเชื่อมต่อผลในชาติปัจจุบันผลในชาติต่อไปและในชาติต่อต่อไปแล้วก็ผลที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพาน แค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองอีกแล้วนะฮะอย่างวันสองวันที่แล้วท่านใหญ่เห็นว่าข้อพิปรายที่เรื่องของเศรษฐกิจเขาบอกถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ปัญหาตัว อ, อย่างแก้ได้อตาตมาบอกว่าไม่จริงเพราะมันไม่มีคําว่าพอนลยนะฮะแล้วพวกที่สร้างปัญหาตัดไม้ทํำลายป่าผู้เศรษฐีใช่ไหมก็ทํามแกมีปัญหาเรงเศรษฐกิจหรือเปล่ารวยจะตายแล้ว รวยจะตายแล้วแต่แกก็ยังไม่พอนะฮะพอมาต้องแก้ที่จิตต้องบรรเทาโลภะลงไปต้องเพิ่มกุศลลงไปเพิ่มกุศลลงไปให้สามารถควบคุมความอยากความอยากได้นะแล้วก็ปรับตัวเองให้อยู่ได้นะปรับตัวเองให้อยู่ได้จนถึงจุดหนึ่งมันกินน้อยใช้น้อยไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ แต่ว่าปัญหาถ้าเราไปตอบสนองทำวัตถุโดยไม่แก้ที่จิตแล้วไม่มีทางทำอะไรได้นั่นคือมุมมองที่ต่างกันเชืให้ความต้องการแก่วัตถุว่าสามารถจะแก้ปัญหาได้แน่นอนมันแก้ได้แต่ว่าจะหยุดปัญหาต่างๆไม่ได้เพราะในที่สุดมันจะแข่งรวยกันแข่งรวยไอ้นี่มันเศรีสิบล้านเราเอายี่สิบเวนี้ก็พูเศรษฐีแสนล้านแนะนะ เศรษฐีแสนล้านเมืองไทยมีเศรษฐีแสนล้านต่างหลายคนเนะี่ยเพราะงั้นทําไปทำมาผลผลุผลไถยก็แข่งแล้วก็ทรัพยากรมันหมดไปเท่าไหร่ขึ้นในคนรวยแสนล้านทรัพยากรธรรมชาติถูกพรานไว้เท่าไหร่ว่าจะสร้างเศรษฐีแสนล้านขึ้นมาได้มก็กลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาเพราะงั้นตัวฉัมพระเนี่ยจึงต้องเป็นกุศลที่จะคุมทิศทางของการประสบควาสมสําเร็จในแต่ละสาย เป็นประโยชน์เพื่อกูลทั้งแก่ตัวแก่คนแก่คนอื่นตลอดถึงในชาติปัจจุบันในชาติภายหน้าเป็นวิธีชีวิตของบัณฑิตจะสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นชาตินี้ชาติหน้านะฮะตรงซ้ายเข้ามาสองทางมาภาวนาสูตรในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นต้นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรในธรรมจึงมีท่านสาธุดนทั้งหลา ย, ยทุกการทุกท่านถือ